ก็าทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาหาคำตอบของคำถามที่ถามมาว่าเราเกิดมาทำไ ม, มเราเกิดมาแล้วนี้เรามาทำอะไรกันถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็อาจจะคิดว่า เรามาเกิดกันก็เพื่อหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสารเส ร, ร, ส ร, ริญและรูปเสียงกลิ่น ร, รสผดถพะชนิดต่างๆพอเวลาที่เราได้ลาบยศสารเส ร, ริญได้รูปเสียงกลิ่น ร, รสผดถภะมาเราก็จะมีความสุขกัน เวลาได้ลาบได้เงินได้ทองเราก็มีความสุขกันเวลาได้ยศได้ตําแหน่งเราก็มีความสุขกันเวลาได้รับการสรรเสริญยกย่องด้วยรางวัลต่างๆเราก็มีความสุขกันเวลาที่เราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพที่เราชอบเราก็เกิดความสุขกัน มันก็เลยทำให้เราคิดว่าชีวิตของเรานี้มีไว้เพื่อหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสีน่นี้แต่เราไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งของการมาเกิดวราเมื่อเรามาเกิดแล้วนอกจากความสุขที่เราได้จากโลกธรรมทั้งสี่แล้วเรายังต้องเจอกับความทุกข์ของการมาเกิดด้วย เวลามาเกิดไม่ช้าก็เร็วร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปตอนจะตายตอนที่ยังไม่ตายก็ยังต้องมีการพัดภาคจากกันคนอื่นอาจจะตายจากเราไปก่อนต้องพัดภาคจากกันแล้วต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากัน เช่นภัยอันตรายต่างๆเป็นต้นและราบยศเสรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็เป็นของไม่แน่นอนมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อเวลาได้มาเราก็ดีใจกันเวลาเสียไปเราก็ทุกข์กันถ้ามองดีๆแล้ว การมาเกิดนี่ก็เพื่อมาหาความทุกข์กันมากกว่าต่อให้มีความสุข <c oughs> มากน้อยเพียงไรก็ตามได้ความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิจลดมากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องสูญเสียความสุขต่างๆเหล่านี้ไปเวลาที่ร่างกายเราแก่เจ็บตาย ในเวลาที่ราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกินรนดเกิดการสิ้นสุดลงเกิดการเสื่อมลงไปเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์กันดันั้นการมาเกิดนี้จึงเป็นการมาหาความทุกข์กันโดยอาศัยความสุขนี้เป็นเหมือนเหยื่อเหยื่อล่ออยู่เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเด็ดไว้ล่อปลาที่ไม่ชลา พอเห็นเหเยื่อรออยู่ก็จะไปฮุบเหยื่อทันทีแล้วพอฮุบไปแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็ถูกลากขึ้นจากน้ำไปสู่ห ม, หม้ออีกทีหนึง่งไปถูกต้มถูกแกงสิ่งต่างๆที่เราหามาให้ความสุขกับเรามันก็ต้องมีวันหมดมีวันสิ้นสุดลง พอมันหมดมันก็ทําให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ทาให้เราเสียใจ <c oughs> แล้วก็การมาเกิดนี้ก็ไม่ได้เป็นการมาเกิดเพียงครั้งเดียวด้วย <c oughs> เพราะว่าร่างกายนี้กับเราไม่ใช่เป็นคนเดียวกัน <c oughs> เราที่มาเกิดนี้เราที่ได้มาได้ร่างกายมา ใช้เป็นเครื่องมือนี่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์นที่เราต้องมีไว้ถ้าเราต้องการจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ไปซื้อรถยนต์มาขับกันแต่คนขับนีไม่ได้เป็นรถยนต์เวลาที่รถยนต์พังไปคนขับที่ยังอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ ก็ยังจะต้องไปซื้อรถใหม่ไปหารถใหม่มาเพื่อที่จะได้มีรถยนต์พาไปไหนมาไหนอยู่ตามความต้องการสาเหตุที่พาให้ใจมาเกิดมามีร่างกายก็เพราะว่าใจมีความอยากความอยากสามประการด้วยกันได้แก่ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ เรียกว่ากามัตัณหานะความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากดังอะไรเป็นต้นอยากเป็นใหญ่เป็นโตเรียกว่าภาวะตัณหาและตัณหาข้อที่สามก็คือวิภาวะตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้ใครเข้ามาดุดาทำนิสิตียเราอยากไม่ให้ยากจนเป็นต้นความอยากทั้งสามนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วก็เป็นความอยากนี่แหละที่ พาให้ใจนี่ไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนที่จะไปหาร่างกายได้ร่างกายอันใหม่ก็จะต้องแวะไปสวรรค์หรือไปนรกขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ว่าอย่างไหนมีมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาปบุญก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไป <c oughs> ไปอยู่บนสวรรค์ชั่วระยะหนึ่งพอบุญหมดกำลังลงก็จะปล่อยให้ลงมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่ <c oughs> พอได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ก็จะมาหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่อไป <c oughs> ร่างกายก็เป็นของชั่วคราว <c oughs> เป็นของไม่เที่ยง ในร่างกายมาแล้วอยู่ไปไม่เกินน้อยปีก็ต้องตายไปความอยากก็ยังไม่หมดเพราะสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองลาบยศจรเสริรญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้เป็นสิ่งที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเป็นเหมือนยาเสพติด ยาเสพติดที่เราเสกกันสิ่งเสพติดที่เราเสกกันแม้กระทั่งสุสราบุรีกาแฟถึงแม้จะเราไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดมันก็เป็นสิ่งเสพติดเพราะเวลาเสกแล้วมันจะติดมันไม่ได้ความอิ่มความพอมันให้ความอิ่มความพอชั่วคราวชั่วระยะเวลาสั้นๆ เป็นเหมือนควันไฟเวลาได้เสพก็มีความสุขมีความสบายใจอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวพอลทธิ์ของมันหมดไปจากร่างกายลิธิ์ของควันบุหรี่หมดไปฤทธิ์ของสุราหมดไปฤทธิ์ของกาแฟมันหมดไปความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่จะ ต, ต่อให้เราเสพมากน้อยเพียงไรก็ตาม มันก็จะไม่มีวันหมดความอยากจะไม่มีวันหมดเพราะสิ่งที่ให้ที่เสดไม่ไม่เคยให้ความอิ่มความพอนั่นเองให้ความอิ่มความพอเพียงชั่วครั้งชั่วคราวพอมันหมดไปความหิวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่พระพุทธเาจ้าทรงตรัสว่าน้ำทะเลมหาสมุทรนี้จะ กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามแต่ทะเลและมหาสมุทรเหล่านี้ก็มีขอบมีฝั่งไม่ได้ขยายตัวไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความอยากนี่มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งอยากได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งขยายตัวออกไปเรื่อยๆความอยากก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นอยากได้นิ้ว อยากได้นิ้วก็อยากจะได้คืบอยากจะได้คือก็อยากจะได้ศอกอยากจะได้ศอกก็อยากจะได้วามันจะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆเช่นเงินทองมีร้อยก็อยากจะได้พันได้พันมาก็อยากจะได้หมื0นได้หมือนก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านมันมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่งความพอลองไปถามมหาเศรษฐีของโลกนี้ดูว่าเขามีเงินขนาดนี้เขาใช้ไปกี่ภบ ก, กี่ชาติมันก็ไม่มีวันหมดเนี่ยเขาพอหรือยัง <c oughs> ถ้าถ้าถ้าพอแล้วเขาก็ควรที่จะมีความสุขแล้วแต่เขาก็ไม่พอเขาอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหามาอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ได้อยากได้เพิ่มก็อยากจะไม่ให้มันลดมีเท่านี้ก็อยากจะไม่ให้มันหายผดุดายไปก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆคอยมาหามาเติมอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือตัวที่พาให้สัตว์โลกมาเกิดกันมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของการมาเกิดทุกข์ตั้งแต่ออกจากท้องแม่มา เด็กนี่ส่วนใหญ่ไม่มีเด็กคนไหนออกมาแล้วหัวเราะกันยิ้มกันออกมาแล้วก็มักจะร้องกันเพราะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องหายใจเองตอนที่อยู่ในท้องก็ไม่ต้องหายใจอยู่สบายอาศัยลมหายใจของแม่หล่อเล้งแต่พอออกจากท้องมานี่ต้องหาลมเองต้องหายใจเองเพราะถ้าไม่หายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที เด็กก็ต้องหัดหายใจเองแล้วก็หัดเดิมเครื่องดื่มน้ําต่างๆแล้วก็หัดรับประทานอาหารต้องกินเอง <c oughs> แล้วก็ต้องหัดเลี้ยงดูร่างกายของตนต่อไปพอเริ่มโตขึ้นพอช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ก็ต้องดิ้นรนไปหาปัจจัยสี่หาอาหาร เครื่องนูโหมที่อยู่อาัยยารักษาโรคมาคอยเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการหรือไม่ถึงแก่ความตายไปถ้าขาดปัจจัยสี่ไปบางส่วนไปไม่ถ้าขาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ีการเกิดนี้จึงเป็นการต่อสู้เป็นการดิ้นรนดิ้นหนีความทุกข์กันอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่เฉยเฉยแล้วเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ที่ร่างกายอย่างแน่นอน<ม>นอกจากความทุกข์ที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายยังมีความทุกข์มีภัยต่างๆที่จะมาคอยกระทบกับร่างกายมไม่ว่าจะเป็นภัยทาง ธรรมชาติเช่นดินฟ้าอากาศภัยเช่นอกทุกขกับภยัยวาตาภายัยอาคีภยัยน้ำท่วมไฟไหมหรือแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภยัยเป็นความทุกข์แล้วก็ยังมีภัยจากโรคระบาดต่างๆแล้วก็มีภัยจาก มนุษย์ที่โหดร้ายทารุนมนุษย์ที่จะหวังผลประโยชน์จากการเดียเดเบียนพูดจะจับหรือเอาไปขายเอาไปเป็นทาสเป็นต้นเลยมาป้นมาจี้เลยมาทำร้ายร่างกายเราเวลาที่เขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา นี่คือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาจากการที่มาเกิดกันนอกจากนั้นก็มีทุกข์ที่ติดมากับร่างกายคือความแก่ความเจ็บและความตายความทุกข์เหล่า น, นี้มันทุกครั้งที่เราเกิดความทุกข์เราก็มักจะต้องหลั่งน้ำตากันร้องห่มร้องไห้กันเพราะความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่า จำนวนภกชาติของพวกเรานี่มันเป็นจำนวนที่นับไม่ได้ด้วยตัวเลขพวกเรากลับมาเกิดกันหลายแสนล้านล้า น, ล, านล้านครั้งแล้วถ้าอยากจะรู้ว่ามีกัรมาเกิดกันกี่ครั้งก็ลองเอาน้ำตาที่เราต้องหลั่งมาในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่ถ้าเรามาเก็บรวบรวมไว้ น้ำตาที่เราหลั่งมานี้มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรพิจูดก็แล้วกันน้ํำในมหาสมุทรนี้มันกว้างใหญ่มากมายขนาดไหนเราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กับการเกิดนี้แล้วก็มาหลั่งน้ําตากับความทุกข์นี้อีกครั้งด้วยกันกี่ภพกี่ชาติด้วยกันถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร นั่นแนะคือปริมาณของพบชาติหรือของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทุกคนและมันยังไม่มันยังไม่มีวันสิ้นสุดด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้ส่งคน พบความจริงว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์แนละ้วรู้พบสาเหตุว่าสาเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากต่างๆถ้าไม่ต้องการที่จะมาเกิดถ้าไม่ต้องการที่จะต้องมาเจอกับความทุกข์ไม่ต้องการที่จะมาหลั่งน้ำตาอยู่เรื่อยๆก็จะต้องมาหยุดการเกิดให้ได้แลนะการที่จะหยุดการเกิดได้ ก็ต้องไปหยุดที่เหตุที่พาให้มาเกิดเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือการมตันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วการที่เราจะมาหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเพราะถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้ เราจะไม่สามารถหยุดมันได้เหมือนกับเวลาที่รถยางแตกถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนยางเราต้องมีเครื่องมือถึงจะเปลี่ยนยางได้ถ้าไม่มีเครื่องมือมีมือเปล่าๆสองมือนี้ยกรถขึ้นไม่ได้เสียงแรกเราต้องทำก็คือยกให้ยกล้อให้ลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องมีเครื่องมือถันน็อตคลายน็อตออกมา ถ่ายนอ็อตแล้วค่อยเอาอยางเก่ายางที่แตกออกแล้วก็เอาอยางที่ยางใหม่เอาเข้าไปแทนที่แล้วก็ใช้เครื่องมือขันน็อตให้มันแน่นแล้วก็ปล่อยให้รถ <c oughs> ที่ลอยอยู่นั้นไ ม, ไม่ไม่ลอยให้ให้ลด ร, ระดับลงมาเป็นปกติเราต้องมีเครื่องถ่าน็อตต้องมีแม่แรงยกรถเป็นต้น ถึงจะสามารถเปลี่ยนอย่างได้ฉะนั้นการที่เราจะต้องการมาละมาหยุดการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้ <c oughs> เราก็ต้องมีเครื่องมือถ้าเราต้องการที่จะหยุดการเกิดถ้าเราเห็นว่าการเกิดมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์ <c oughs> เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน ต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้เราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามการจะหยุดความอยากทั้งสามได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบ ก, ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองการทําทานเป็นการหยุดความอยากในระดับหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นการหยุด ความอยากได้ระดับหนึ่งแล้วก็การภาวนาเป็นการหยุดความอยากได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเต็มร้อยต้องมีเครื่องมือถึงจะหยุดความหยุดกามะตัณหาหยุดภาวะตัณหาและหยุดวิภาวะตัณหาได้ถ้าไม่มีทานศีลภาวนาถ้าไม่ได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาจะไม่สามารถ กำจัดเรือหยุดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจได้ดังนั้นพระเจ้าถึงสงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้มาปฏิบัติที่ทานศีลภาวนากันนี่แหละคือสาเหตุนี่แหละคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงว่าเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่อปฏิบัติทานศีลภาวนาเพราะว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนาจะนำไปสู่การระ ง, งับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเมื่อความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจถูกระ ง, งับไปหมดแล้ว<ม>การที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีเกิดไม่มีร่างกายก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นี่คือคำตอบของคำถามว่าเราเกิดมาทำไม mm. เราเกิดมาเพื่อหยุดความอยากและการที่เราหยุดการมาเกิดกันหยุดการมาเกิดใหม่และการที่เราจะหยุดการมาเกิดใหม่ได้เราต้องหยุดความอยากที่มีในใจเราและการที่เราจะหยุดความอยากที่มีอในใจเราได้เราก็ต้องมีปฏิบัติทานศีลภาวานา mm. ถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวานาได้ สมบูรณ์ร้อยเปรซนเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่เราเกิดมาทำไมคือคำตอบคำตอบก็คือเรามาเกิดเพื่อมาปฏิบัติทานศีลภาวนานกันเพื่อที่จะได้หยุดการกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป พอการเกิดแล้วมันจะต้องเจอกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเราไม่ได้มาเกิดแล้วก็คือเราต้องมาปฏิบัติทานศีลภาวนากันทานก็คือการให้ข้าวของเงินทองของที่เหลือเหลือกินเหลือใช้สมมุติว่าถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ เราก็ไม่ต้องทำทานก็ได้ทานนี้มีไว้สำหรับคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วมักจะเอาเงินทองนี้ไปใช้กับความอยากไปใช้ตามความอยากต่างๆเช่นอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้ก็ต้องมีเงินทองไปไปจ่ายค่าตัว๋วค่าโรงแรมอะไรต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆ พอคิดว่าการไปเที่ยวแล้วจะให้ความสุขกับตนอันนี้ก็เป็นกามาตันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดพลาอยากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยากจะมีความสุขก็ถ้าเราใช้เงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้ไปให้กับการไปเที่ยวกันเราก็ไปสร้างความอยากให้มีมากขึ้น พราะความอยากมันไม่หมดไปหลังจากที่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเพราะการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมันไม่ให้ความอิม่มความพอแบบยั่งยืนมันอาจจะให้ความอิม่มความพอแบบชั่อกาวแต่าไปเที่ยวใหม่ๆกลับมาบ้านเราก็ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปเที่ยวแต่สักพักทิ้งระยะไปสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวความอยากเที่ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าเรามีเงินเราก็จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันอีก อันนี้ยกตัวอย่างของการใช้เงินทองตามความอยากมันมีหลายอย่างด้วยกันที่เราใช้เงินทองตามความอยากคือใช้กับของที่ไม่จำเป็นถ้าใช้กับของที่จำเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่นถ้าเราใช้กับอาหาร <th> เครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี้ถ้ามันขาดแคลนต้องซื้อมาต้องมีมาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากมันเป็นความจาเป็นเช่นอาหาร ถ้าเราไม่ซื้ออาหารมากินเลยเดี๋ยวร่างกายก็ต้องสู้ผอมร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหิวโหยเราก็ต้องมีอาหารต้องซื้ออาหารมาให้ร่างกายรับประทานให้ร่างกายไม่หิวให้ร่างกายอิ่มแต่ถ้ากินแบบไม่ิม่ถ้ากินแบบตามความอยากอย่างนี้ก็ยังเป็นความอยากได้อยู่กินอิ่มแล้วก็ยังอยากกินอีกเดี๋ยวเห็นขนมเดี๋ยวเห็นห น, นี่นั่นเห็นห น, นี่นี่ก็อยากจะกินอีก กินเวลาสี่ห้าครั้งเนี่ยสี่ห้ามื้ออย่างนี้ก็ยังถือว่ากินตามความอยากอยู<ม>่ถ้าจะไม่กินตามความอยากต้องกินไม่เกินคร<ม>ั้งสองครั้งก็พอ<ม>และไม่ควรจะเกินเที่ยงวันไป<ม>อย่างพระที่มาบวชมาปฏิบัติเพื่อตัดความอยากตา่างๆท่านก็กินมื้อเดียว<ม>ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอกกินมื้อเดียวก็พอถ้ากินเพื่อ เลี้ยงดูร่างกายถ้ากินมากไปกว่า น, นั้นก็ถือว่ากินตามความอยากถ้ากินตามความอยากก็ถือว่าเป็นการไปเกาะพบก่อชาติใหม่เพราะความอยากกินนี้มันจะติดไปกับใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วพอไม่มีไม่มีร่างกายความหิวความอยากกินมันก็ยังมีอยู่มันก็จะบังคับผลักดันให้ดวงวิญญาณไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาเกิดใหม่เพื่อจะไดมากินใหม่นั่นเอง ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงดูร่างกายเราก็ต้องระวังว่าอยากให้มันเลี้ยงดูตามความอยากให้เลี้ยงดูตามความจําเป็นถ้ามันขาดแคลนมันจะมันจะทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ต้องบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากเช่นเสื้อผ้าถ้าไม่พอใส่ก็ต้องซื้อมาเพิ่มแต่ถ้ามีพอแล้ว ก็ไม่กลวนที่จะซื้อมาเพิ่มถ้าซื้อมาเพิ่มก็เพราะว่าความอยากอย่างนี้ก็ไม่ได้บ้านก็เหมือนกันถ้ามีที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้พอปลอดภัยแล้วก็ยังอยากจะได้บ้านอีกหลังหนึ่งอยากจะไปซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดบ้างไปซื้อบ้านที่ต่างประเทศบ้างหรือซื้อบ้านหลายๆหลังนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากเหมือนกัน ยารักษาโรค ก, ก็เช่นเดียวกันถ้ามีพอเพียงต่อการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็พอไม่จาเป็นที่จะต้องเสียงเงินมากๆเพื่อไปรักษาที่ ท, ที่ที่มีราคาแพงๆโรงพยาบาลก็มีหลายระดับด้วยกันแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือรักษาพยาบาลให้ร่างกายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไหนถ้ามันจะหายมันก็หายเหมือนกันโรงพยาบาลราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็หายได้แล้วโรงพยาบาลสามสิบาทรักษาทุกโรค ก, ก็หายได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แล้วเป็นโรคที่จะต้องตายไปไปรักษาโรงพยาบาลไหนมันก็ตายเหมือนกันอ่านี่คกอการใช้เงินทางต้องรู้จักใช้ ต้องรู้จักแยกแยะว่าเรากำลังใช้ตามความอยากหรือใช้ตามความจำเป็นถ้าใช้ตามความจำเป็นนี้ไม่เป็นการไปเสริมความอยากไม่เป็นการไปก่อพบก่อชาติแต่ถ้าใช้ตามความอยากนี้มันจะเป็นการไปสร้างความอยากให้มีมากขึ้นแล้วจะทำให้ความอยากนี้มันจะถักดันให้ใจไปเกิดใหม่อยู่เรื่อย การทาบุญทาทานนี้ก็มีไว้สำหรับคนที่มีเงินทองเหลือเหลือกินเหลือใช้แล้วเอาเงินทองนี้ไปใช้ตามความอยากต่างๆซื้อของไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้ออะไรเต็มบ้านไปหมดซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้มันล้วนเกิดจากความอยากเพราะว่าเวลาเห็นของที่ถูกใจ ก็อยากจะได้เพราะคิดว่าเมื่อได้มาแล้วจะมีความสุข mm hmm. ก็ซื้อกัน mm hmm. ก็ได้ความสุขแบบเดียวเยวสักพักหนึ่งของที่ซื้อมาก็หมดความหมายไปกองเต็มไว้อยู่ในบ้านแต่พอไปออกนอกบ้านไปเห็นของที่เขาตั้งอยู่ตามร้าน mm hmm. ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อันนี้ต้องคอยหักห้ามความอยากแบบนี้อย่าใช้เงินแบบนี้ไปกับความอยากต่างๆ ว่ามันเป็นการส่งเสริมพบชาติให้มีมากขึ้นไปส่งเสริมการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากไปเราต้องอย่าใช้เงินทองในรูปแบบนี้ถ้าอยากจะใช้เงินทองแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขจากใช้เงินทองก็ใช้ไปกับการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานนี้ไม่ได้เป็นการทําตามความอยาก เป็นการทำฝืนความอยากเพราะโดยปกติไม่มีใครอยากจะทำบุญทำทานเพราะเสียดายเงินเสียดายทองแล้วก็อยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆซึ่งความอยากนั้นไม่ได้อยู่กับการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี้เป็นการตัดตัดกำลังตัดช่องทางของตัดเครื่องมือของความอยากพอเรามีเงินแล้วเราก็มัก จะอดไม่ได้ที่จะไปใช้ตามความอยากต่างๆพอเราเอาเงินที่มีอยู่นี้ไปใช้กับการทำบุญพออยากกระเป๋าเห็นกระเป๋าอยากจะซื้อก็อไม่มีเงินซื้อแล้วอยากจะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินไปเที่ยวแล้วเพราะเอาเงินไปทำบุญกันหมดและการทำบุญนี้ก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะการทาบุญนี้มันเป็นความสุขทางใจที่จะอยู่คู่กับใจไปเป็นเวละระยะอันยาวนานมันไม่หายไปแบบควันไฟมันจะอยู่อยู่คู่กับใจไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ <Okay. S 1> ทาบุญแล้วเราก็จะสะสมความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้ความอยากที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปเดิเดดนอะไรต่างๆนี้มันลดน้อยลงไปมันเบาบางลงไปจนั้นที่สุดมันก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปเดิมเลยถ้ามีเงินก็ถ้าอยากจะมีความสุขก็เอาไปทําบุญทําทานแทนนี่กือการปฏิบัติทานทานแปลว่าการให้ จะไม่ไม่สำคัญอยู่ที่ผู้รับว่าเป็นใครอยู่ที่การให้ผู้ให้เนี่ยสำคัญผู้รับนี่จะเป็นใครก็ได้ได้ได้ความสุขได้บุญเหมือนกันทำบุญกับพระให้ให้กับพระร้อยบาทแล้วก็ให้ขอทานร้อยบาทนี้ความสุขใจมันก็เท่ากันความสุขใจที่ได้จากการสกัดความอยากที่ยาเงินร้อยบาทนี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มเหมือนกันเนี่ย นี่คือหน้าที่ของทานอ่านให้เพื่อให้เราตัดเครื่องมือเครื่องเครื่องมือของความอยากเพื่อเราจะได้ไม่มีเงินไปใช้ตามความอยากถ้ามีเงินจะไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำบุญแทนและเวลาทำบุญเราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจไม่ว่าเราจะทำกับใครก็ตามทำกับพระทำกับขอทานทำกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกัน เป็นการให้เหมือนกันเป็นการเสียเงินร้อยบาทเหมือนกันผลที่ได้ก็คือความสุขใจอิ่มใจก็ได้เท่ากันที่ที่บอกว่าทําบุญกับพระได้บุญมากกว่าทําบุญกับคนธรรมดานี้อันนี้เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นบุญที่เกิดจากการให้เป็นบุญที่เกิดจากการจากการจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยให้กับเรากลับมา เช่นถ้าเราไปทำบุญกับพระพระก็จะมีธรรมะสอนเราสอนให้เราทำดีละบาปชำระจิตใจให้สะอาดอันนี้เป็นธรรมะเป็นบุญเพราะว่าถ้าเราเอาคําสอนของพระมาปฏิบัติเราก็จะได้ความสุขได้ได้บุญเพิ่มอย่างนี้เรียกว่าถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราไปทำด้วย เราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะแต่ถ้าเราต้องการอย่างอื่นเราก็ไปทำกับคนที่เขามีอะไรให้กับเรากลับมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากคนที่เราไปทำบุญด้วยเราทำกับใครก็เหมือนกันทำกับสุนัขทากับขอทานทากับพระ ก็ได้ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละการให้เงินร้อยบาทไปเหมือนกันอ น, นี่ขอให้ทำความเข้าใจว่าทานนี้เป้าหมายอยู่ที่การที่เราจะกำจัดเครื่องมือคือเงินทองที่จะเอาไปใช้ตอบสนองความอยากต่างๆเพราะการไปทำตามความอยากนี้เป็นการเพิ่มภกชาติให้มีมากขึ้นไปเพิ่มเหตุที่ทำให้มาเกิดมากขึ้น ก็คือตันหาความอยากมันก็จะมากขึ้นเราต้องคอยตัดความอยากให้มันน้อยลงไปทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวแล้วเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานนี้ความอยากเที่ยวครั้งต่อไปมันจะลดลงอีกครึ่งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปอยากจะไปเที่ยวอีกเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญอีกมันก็จะลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งความอยากมันจะอยากจะไปเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป พราเราได้ความอิ่มความสุขจากการทําบุญทําทานแทน mm hmm. การทําบุญทําทานยึงเปรียบเหมือนกับการกินอาหารส่ว mm hmm. นการเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของไม่จําเป็นไปเทีย่ยวนี้มันเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติด mm hmm. การเสพยาเสพติดนี้ไม่ได้ทําให้ร่างกายอิ่มมันไม่ได้เป็นอาหารของร่างกายชั mm hmm. mm hmm. ้นใด การใช้เงินตามความอยากก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นอาหารให้กับให้กับใจใจไม่ได้เกิดความอิ่มความพอแต่การทำบุญทำทานนี้เป็นการให้อาหารกับใจทำให้ใจเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาจึงทำให้ความหิวความอยากที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ต่อไปความรู้สึกความอยากเหล่านี้จะหายไปได้มีเงินมีทองก็ไม่เคยคิดที่จะเอาเงินทองนี้ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดมีไว้ก็เพื่อเก็บไว้ใช้กับของที่จําเป็นเท่านั้นเองเช่นมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายอาจจะต้องมีเงินสํารองเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเกิดรายได้เราไม่มีเกิดตกงานหรือเกิดเราร่างกายไม่สบายมีค่าใช้ใจ่ายมากอย่างเงี้ย เราก็เอาเงินทองที่ส่วนเกิดนี้เก็บสำรองเอาไว้ให้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นจะไม่ถือว่าเป็นการทำตามความอยากแต่ถ้าใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นอันนี้เรียกว่าทำตามความอยากทำตามความอยากก็เป็นการส่งเสริมการเกิดการกลับมาเกิดให้มีมากขึ้นนั่นเองอ น, นี้ก็คือหน้าที่ของทานการทำบุญทำทาน สำหรับคนที่ไม่มีเงินที่จะทำบุญทาทานก็ไม่เป็นก็ไปทำข้อต่อไปได้เลยอันนี้เป็นเหมือนข้อสอบสามข้อใหญ่ๆทานศีลภาวนาคนที่ไม่มีเงินทองเช่นใครก็พวกนักบวชเนี่ยพวกที่มาบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นชีนี่ถ้าบวชเต็มรูปแบบจริงๆแล้วจะไม่มีเงินทองจะไม่ต้องใช้เงินทองเพราะว่าจะมีคนที่เขาสนับสนุนนักบวช จะมีอาหารบิณฑบาตมีกุฏิที่อยู่อาศัยตามวัดต่างๆมีจีวรที่เครื่องนุ่งห่มที่มีศรัทธาญาติโยมนำาอามาถวายอยู่เรื่อยๆมียารักษาโรคหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาทามโรงพยาบาลก็จะมีผู้ศรัทธาผู้มีผู้ศรัทธาถ้าต้องใช้ถ้ามีค่าใช้จ่ายก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะทำบุญกับพระก็จะทำกัน สำหรับที่มาพวกที่เป็นนักบวชแล้วจึงไม่ต้องมาทำบุญทาทานไม่ใช่มาหาเงินมาบวชเพื่อมาหาเงินทองแล้วก็เอาเงินทองจากญาติโยมที่บริจาคนี้ไปทำบุญทาทานอีกตอนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชแล้วเพรานะว่างานหรือข้อสอบของนักบวชนี้คือสองข้อต่อมาก็คือศีลและการภาวนาทานนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้ว เพราะไม่มีเงินทองที่จะเอามาทําบุญทําทานอยูแล้วก็เลยไม่มีความจําเป็นเพราะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองไป <c oughs> ไปหาความสุขต่างๆไปทําตามความอยากต่างๆแต่ถ้ายังมีอยู่เช่นมาบวชแล้วก็ยังมีความอยากอยู่เช่มีศรัทธาญาติโยมขอให้เงินทองมาก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อของไม่จําเป็นอย่างนี้ก็ก็ถือว่ายังยังต้องเอามาทําบุญอยู่ ถ้ามีเงินทองแล้วอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อมือถือรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> <c oughs> ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่แล้วมีเงินทองก็ต้องอย่าเอาเงินทองเหล่านี้ไปใช้ตามความอยากใหเอามาทำบุญทำทานแทนทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาก็ได้ <c oughs> น, นี่คือ <c oughs> สำหรับผู้ที่ผ่าน ขั้นทานไปแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไปบวชกันเพราะทำทานเมื่อไม่มีความอยากที่จะหาความสุขแบบผู้คลองเรือนแบบคารวะแล้วไม่มีความอยากที่หาความสุขจากการจากการเสษรอมลูกเสียงขลิบแล้วแต่ยังมีความอยากที่ยังมาสร้างที่ยังจะต้องกาจัดอยู่ในใจอยู่ที่การทำทานอย่างเดียวนี้ไม่ส า, สามารถกาจัดได้ก็ต้องมา มาปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นศีลและขั้นภาวนาหน้าที่ของนักบวชก็คือมารักษาศีลและก็มาภาวนานั่นเองศีลก็คือข้อห้ามไม่ให้กระทำสิ่งต่างๆด้วยความอยากสาเหตุที่เราทำบาปกันก็เพราะเรามีความอยากอยากได้ลาบยศเสริญอยากได้ความสุขทางต า, งาหูจมูกนิ้นกายพอเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ทาบาป เราก็มักจะไปทาบาปกันเช่อยากจะมีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินก็ไปลักขโมยบ้างไปโกหกหลอกลวงบ้า <c> ง <oughs> หรือถ้าหนักเข้าก็อาจจะไปป้นไปจี้ตามร้านขายของต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็อาจจะต้องมีการฆ่ากันก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทา ทำบาปด้วยความอยากความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผลักให้ไปทำบาปกันถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีเงินก็ไม่ไม่เที่ยวก็ไม่ต้องไปหาเงินมาถ้าหาเงินไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่อยากเที่ยวอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องใช้เงินทองพอไม่มีเงินทองหรือเงินทองไม่พอแล้วก็หาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ ก็มักจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตกันไปช่อโกงไปคอร์รัปชันกันไปโกหกหลอกลวงอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมความอยากทำบาปเพื่อส่งเสริมความอยากถ้าเราต้องการสกัดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องอยากทำบาปอยากจะได้เงินก็ต้องไปทำงานที่สุดจริตที่หาได้ยากหาได้ช้ากว่าธรามคถามว่าถ้ายังมีความอยากเที่ยวอยู่ ยังอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่ก็ให้ไปหาโดยที่วิธีไม่ทำบาป <c oughs> าะการไปทำบาสนี้ก็เท่ากับการเป็นการส่งเสริมความอยากให้มันมีมากขึ้นไปในใจอยู่ดีนั่นเนนนเราต้องมารักษาศีลกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เดือดรุยราอยามเมาอันนี้เป็นศีลท่านต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะ ไปปฏิบัติภาวนาต้องการที่จะหยุดความอยากต่างๆด้วยการฝึกสมาธินั่งสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลเพิ่มอีกสามข้อคือศีลแปดเพราะว่าศีลแปดนั้น 8, จะเป็นตัวที่จะมาห้ามความอยากโดยตรงเลยเช่นศีลข้อสามที่อนุญาตให้ทำความอยากด้วยการร่วมหลับนอนกับคู่คองขอ ง, ของตนได้ พอมาถือศีลแปดนี้ศีลข้อนี้จะเปลี่ยนเป็นห้ามเลยห้ามห้ามเสกกามห้ามร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นเพราะความอยากร่วมหลับนอนนี้มันเป็นกรรมอาตรานามันเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเราต้องหยุดมันเบื้องต้นก็หยุดมันด้วยการห้ามด้วยการถือศีลแปดห้ามหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเป็นกามอตัาหาอย่างหนึ่ง แล้วก็มาถือศสีลงข้อหกก็ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากเหมือนกันให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้ให้เลี้ยงให้ร่างกายอยู่ได้ให้ดับความหิวของร่างกายได้ก็พอจึงก็ไม่ควรมากกว่าครั้งหรือสองครั้งแล้วก็ไม่ควรเลยเวลาเที่ยงวันไปแล้วให้กินก่อนให้มันเสร็จเรื่องกินนี้ให้มันเสร็จไปก่อนตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันไป เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาหลังเที่ยงวันนี้มามาให้กับการปฏิบัติธรรมมาให้เวลากับการมาฝึกสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ <c oughs> พอเวลาทำใจให้สงบนี้เราจะหยุดความอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหยุดได้เต็มที่เลย <c oughs> การถือสีนี้ยังไม่แน่นอนบางทีก็หยุดได้บางทีก็หยุดไม่ได้บางทีก็ตบาบะแตก บางวันก็ถื 8, อศีลแปดอดข้าวเย็นได้บางวันอดไม่ได้ถือไม่ได้ก็มีอันนี้ศีลก็ยังไม่ได้เป็นของที่แน่นอนกว่าถ้าเราฝึกสมาธิได้ทำจิตให้นิ่งให้สงบได้นี้มันจะเป็นสิ่งที่แน่นอนกว่าแต่มันยากกว่าเบื้องต้นต้องอาศัยการหักห้ามใจด้วยศีลก่อนศีลก็อกว่าไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปไม่ให้รับประทานตามความอยาก รับพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วก็ถือศีลข้อเจให้ระงับการหาความสุขจากรูปศีลกินลดคือพวกบันเทิงทั้งหลายมหัรสบบันเทิงหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็ต้องละต้องเลิกไปต้องหยุดความอยากเหล่านี้ไปแล้วก็หยุดความอยากที่จะสวยที่อยากจะเสริมเสริมความงามของร่างกาย ไม่ให้ใช้เสื้อผ้าผรอนสีฉูดฉาดไม่ให้ใช้เครื่องสมอาง<ม>ไม่ให้ใช้เครื่องอะไรเสริมความงามต่างๆ<ม>เพราะว่ามันเป็นความอยากอีกอย่าง<ม>กาึ่งตันหาเหมือนกัน<ม>อันนี้แล้วก็มาถือสิ่ข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปการอยากนอนมากเกินความต้องการของร่างกายก็เหมือนกับอาหารเป็นความอยากอีกอย่างหนึ่ง วิธีที่จะนอนไม่ให้มากเกินความต้องการของร่างกายก็คือให้นอนบนที่นอนที่แข็งๆไม่ไม่นุ่มไม่สุขไม่สบายเพราะถ้านอนบนฟูกหรือนาะนอนบนเตียงสำลานี้มันจะสุขจะสบายมันจะทาให้เกิดความอยากนอนไปเรื่อยๆไม่อยากจะตื่นขึ้นมาถึงแม้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็อยากไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อ มันก็จะทำให้ติดอยู่กับความสุขจากการหลับนอนแล้วก็จะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ น, นี่ก็คือเรื่องของหน้าที่ของสีเป็นการคอยสกัดหรือคอยกั้นความอยากยังกำจัดไม่ได้ยังหยุดมันไม่ได้แต่คอยห้ามมันไว้คอยกั้นมันไว้ พออยากจะกินพอหลังเที่ยงก็อตอนนี้เราถือศีลแปดกินไม่ได้ก็อดไปยอมอดไปยอมหิวไปถึงแม้จะมีความอยากอยู่แต่ก็ไม่ไปทําตามความอยากถ้าไม่ไปทําตามความอยากความอยากนั้นก็จะลดกําลังลงไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้สึกไม่กินข้าวเย็นนี่เป็นเรื่องปกติไปเพราะว่าความอยากที่เคยเกิดนี่มันฮะมันหยุดไปเพราะเราไม่ตอบสนองความอยากความอยากจะกินข้าวเย็นนั่นเอง ใหม่มันจะหิวมันจะอยากเ <c oughs> พราะมันเคยอยากแต่พอเราถือศีลแปดเราไม่กินข้าวเย็นวันนี้เราหยุดไปได้ความอยากพรุงนี้จะลดน้อยลงจะเบาลงแล้วถ้าเราหยุดต่อไปได้มันก็จะลดน้อยลงไปจนกระทั่งมันจะไม่แสดงอาการผล่ขึ้นมา <c oughs> นี่คือมาตรการของศีลในการที่เราจะมาตัดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ในการที่เราจะมาลดเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากอยากเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามะตัญหานี่ <c oughs> แล้วพอเราพอเรามีศี้ได้ถิ้นแปดได้เราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่เราจะได้มาฝึกสตินั่งสมาธิ <c oughs> ตอนที่เราจะนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบได้เราต้องมีสติเป็นเครื่องมือ ถ้าเราไม่มีสติเราจะนั่งแล้วใจังไม่สงบใจเราจะคิดไปเรื่อยคิดไปแล้วก็ฟุ้งไปจะไม่มีวันสงบได้การที่เราจะทำให้ใจสงบได้เราต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองและการที่จะมีสติก็ต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิไม่ใช่มาฝึกสติในขณะที่เรามานั่งสมาธิถ้ามาฝึกตอนที่มานั่งสมาธิสติไม่มีกาลังพอ นั่งได้ไม่นานก็จะรู้สึกปวดอัดทนนั่งต่อไปไม่ได้อย่ถ้าเราฝึกสติมาก่อนคอยควบคุมความคิดมาก่อนตั้งแต่ตื่นฝึกสติมาเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนทุกวิริยาบนในขณะที่เราตื่นให้มีสติให้ให้มีการเจริญสติหยุดความคิดต่างๆ วิธีการเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายๆก็คือใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยากใหม่ๆมันก็ยังคิดอยู่แต่ถ้าเราคอยอยู่กับพุทธโธพุทธโธความคิดเหล่านั้นเดี๋ยวมันก็ถ้าไม่มีใครมาคิดตามมันเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดเอง ถ้าเราไม่มีพุโทโธพอความคิดโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปคิดตามมันมันก็จะคิดยาวไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะกําจัดหรือสกัดความคิดเหล่านี้เราก็ต้องมีสติคอยยับยั้งความคิดด้วยการใช้พุโทโธนี่พุโทโธนี้เรียกว่าพุทธานุสติคือมีตั้งสติอยู่กับพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งสติของเรา ให้เรานึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธไปปกติเราตื่นขึ้นมานี้เราจะไม่มีพุทโธกันเลยตื่นขึ้นมาเราก็จะปล่อยให้ความคิดคิดไปถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปทั้งวันพอถึงเวลามันนั่งสมาธิมันก็คิดต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่อยู่กับพุทโธนี่มันจะไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออก เพราะเราไม่เคยฝึกมันไว้กอนั่นึหอนไม่เคยห้ามไม่ให้มันคิดไว้ก่อนมันเลยนั่งแล้วไม่ได้ผลแต่อย่างใดถ้าอยากจะให้นั่งสมาธิแล้วได้ผลจิตจิตสงบนี่เราต้องหมั่นฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยทั้งวันทั้งคืนตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ไม่ควรที่จะไม่มีการฝึกสติควรจะมีการฝึกสติควรจะมีสติคอยกากับความความคิดของเรา ให้คิดแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญอะไรอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราลืมตาขึ้นมาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปทำหน้าที่อะไรก็ทำไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ไปนังกายทาหน้าที่ของน่างกายไปใจก็ทาหน้าที่ของใจไปใจก็คอยพุทโธพุทโธ คอยสกกดความคิดต่างๆอย่าให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆให้อยู่กับพุทโธใช้พุทโธเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจปกติถ้าใจไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวพอมีความคิดมาใจก็จะไหลไปกับความคิดนั้นไปคิดตามคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดกันไปคิดกันมาไปเรื่อยๆแต่ถ้าพอมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวของใจได้มีพุทโธพุทโธใจก็จะไม่ไปคิดตาม พอใจไม่ไปคิดตามความคิดต่างๆเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆหยุดไปเองนนี่คือการมาหยุดความอยากอีกวิธีหนึ่ง<ม>หยุดความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งที่แลกวเป็นการฝึกสตินั่งสมาธิต<ม>อนจะนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งได้นี่<ม>ต้องมีสติก่อน<ม>ต้องฝึกสติให้มากๆฝึกทั้งวันทั้งคืนเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกัน เราสามารถพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุทโธพุทโธไปเพราะถ้าเราไม่พุทโธความมันก็จะมีความคิดพาไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ความคิดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่กับงานที่เราทําอยู่ดีคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเมื่อวานคิดถึงพรุ่งนี้คิดอยู่เรื่อยเปื่อยเราต้องคอยสกัดความคิดเหล่านี้ถ้าเรามีสติแล้วพอเวลามานั่งสมาธินี้เราก็ให้มัน ดูลมหายใจก็ได้หรือพุทโธต่อไปก็ได้อยู่กับคําพุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมเลยก็ได้ eer. การพุทธโธอย่างเดียวมันจะง่ายกว่าการที่เอาพุทโธไปฝูกกลมหายใจนี้มันจะยากกว่าไม่จําเป็นเราไม่แนะนําเราแนะนำว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทโธเลยเอาดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธถ้าจะพุทโธรก็พุทโธอย่างเดียวอย่าไปดูลมจะดีกว่า พะเราต้องการทำใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้เป็นสองถ้าเราใช่ลมกับพุโทโธใจมันจะเป็นสองมันจะไม่รวมเป็นหนึ่งถ้าอยากจะให้ใจเป็นหนึ่งให้นิ่งสงบใจจะนิ่งสงบได้ใจต้องเป็นหนึ่งต้องมีอารมณ์เดียวต้องมีพุโทโธอย่างเดียวหรือมีการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวใจถึงจะสงบได้ถึงจะนิ่งได้เป็นสมาธิขึ้นมาได้ ถ้าเรามีสติฝึกมาทั้งวันพอเรามานั่งใจเราก็จะอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือจะให้ดูลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวถ้ามีอารมณ์อย่างเดียวไปเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะนิ่งสงบขึ้นมาพอจิตนิ่งสงบแล้วความอยากต่างๆที่คอยมาลบกวนใจนี่มันก็จะหายไปหมดเลยพอพอใจนิ่งสงบความอยากหายไปใจก็เกิดความสุ ข, ขขึ้นมาทันทีเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาทันที อันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการระงับความอยากต่างๆเพราะความอยากอันนี้มันมักจะมันจะเล็ดเล็ดลอดติดมากับความคิดต่างๆคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขาคิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะได้ขึ้นมาพอไม่มีความคิดพอหยุดความคิดปั๊บความอยากมันก็หยุดทํางานทันทีพอใจที่ไม่มีความคิดไม่มีความอยากทํางานไม่มีตัวทำไม่มีการทํางานของความคิดไม่มีการทํางานของความอยาก ใจก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะสุขจะสบายเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งถ้าใครสามารถเข้าถึงความสงบของสมาธิได้แล้วจะเห็นคุณค่าของการหยุดความอยากต่างๆแล้วจะเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้มันเป็นตัวที่พาให้เราไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่มีวันสิ้นสุดพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ปั๊บ ใจอยู่เฉยๆได้ใจเบาใจสบายใจสุขอย่างเหลือหลายอย่างอยังไม่มีอะไรเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนพระพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนิยติสันติปรังสุขขังสุขสุขเอิญที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองได้ยศได้ตําแหน่ง ได้หลังวี่หลังวัลต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆความสุขเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเป็นเหมือนฟ้ากับดินเลยใครก็ตามถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้จะไม่อยากจะได้ความสุขในรูปแบบอื่นอีกต่อไปแต่อยากจะหาความสุขจากการทําใจให้สงบให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินี้ยังถือว่าเป็นความสุขที่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นความสุขชั่วคราวสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิ mm hmm. เวลาออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้เกิดความคิดความอยากก็จะตามมาพอความอยากตามมามันก็จะมาสร้างมันก็จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจต่อไป mm hmm. นี่ก็ถึงขั้นขั้นขั้นที่สามที่เราจะต้องปฏิบัติคือท่านปัญญา mm hmm. ภาวนามีสองขั้นขั้นสมาธิแล้วก็ขั้นปัญญา พอเราได้ขั้นสมาธิแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาพอใจเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วอยากได้ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันทันทีปัญญานี้จะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุข mm hmm. อยากได้เงินทองมันก็เป็นทุกข์เพราะเงินทองมันเป็นของไม่แน่นอนได้มาแล้วเวลาได้เวลามีก็มีความสุขเวลามันหมดก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วเราก็ไม่มีสามารถไปสั่งมันไม่ให้มันหมดได้มันดีคือดีมันอยากจะหมดก็หมดได้อาจจะไม่ได้หมดจากการที่เราไปใช้มันก็ตามอาจจะถูกคนอื่นโกงไปก็ได้อาจจะถูกคนอื่นเขาเขาโมยไปก็ได้พอมันหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาคนที่มีบัญชีเป็นล้านพอไปเปิดดูบัญชีที่อา่าเหลือศูนเนี่ยลองคิดดูที่จะรู้สึกอย่างไรเงินหายไปหมดเลย นี่ละคือความไม่เที่ยงของเงินทองของข้าวของของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันแล้วก็เราออกจากสมาธิมาพอเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันของที่ไม่แน่นอนของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดไปพอเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากปั๊บ ความสุขความอิ่มความพอก็จะปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเลยตอนนั้นถ้าอยู่ขั้นปัญญาแล้วพอหยุดความอยากด้วยปัญญาได้แล้วพอความอยากหยุดไปหายไปปับ๊บความสงบที่ที่เคยได้จากการเข้าสมาธิก็จะเกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอีกต่อไปแล้วมันก็จะเป็นความสงบเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดจะหมดก็ต่อเมื่อมีความอยากปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าทุกครั้งที่มีความอยากแล้วเราใช้ปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆได้หมดไปจนต่อไปความอยากที่เคยมีอยู่ในใจนี้หายไปหมดเลยพอความอยากที่หายมีอยู่ในใจกามาตัญหาหายไปภาะวาตัญหาหายไปวิภาะวาตัญหาหายไปปั๊บ<ม>ใจก็ไม่ต้องไปเกิดเด็กต่อไป ใจที่ไม่ไปเกิดนี่เราเรียกว่านิพานไม่ใช่สถานที่อะไรแล้วก็ใจดวงนี้แ่ะใจที่เวียนว่ายตายเกิดนี่จะกลายเป็นใจที่เป็นนิพานขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติตามที่พูะเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้นั่นก็คือปฏิบัติทานสีนภาวนาภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติปัญญานี่สองขั้นด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่ สิ่งที่เรามาทํากันมาเกิดกันมาทำเพื่ออะไรถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะมาก่อภพก่อชาติกันด้วยความหลงที่ไปคิดวา่าเรามาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นการสร้างภพสร้างชาติเพราะเป็นการทําด้วยความอยากต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย เราก็ต้องมาปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละคือคำตอบของคำถามว่าเราเกิดมาทาไมเราเกิดมาเพื่อหยุดการเกิดเพราะการเกิดไม่ดีเกิดเป็นทุกข์นาการที่จะหยุดการเกิดได้ก็คือต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาดังนั้นการที่มาเกิดเราสิ่งที่เราต้องทาเวลาที่เราได้มาเกิดแล้วก็คือเราต้องมาปฏิบัติทานศีลภาวนากันถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ครบเต็มร้อย เราก็จะหยุดการเกิดได้เต็มร้อยเราก็จะหยุดความทุกข์ได้เต็มร้อยแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปน้ําตาที่เคยหลั่งมามากยิ่งกว่าน้ำในหะสมุมันก็จะเหือดแห้งไปหมดจะไม่มีน้ําตาให้หลั่งอีกต่อไปอันนี้คือคําตอบของคําถามว่าเราเกิดมาทําไมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปูราปิลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตชินังเปตาหนังอ oh ุปกัรปติอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิดเมวะสมิจฉาโตสัพเพภุเรนตุสังกปา จันโทปนาล拉โสยธามณิโชติ阿拉โสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุธาปะจายโนจตารุธรรมาวาทานติ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 อยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คะเรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุฏจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ464ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 329 YouTube ดร V 69วิทยุออนไลน์12คลับ h ฮ u s e 6นาคุต143รวมทั้งหมด 1,023 ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนาคุฏค่ะ เริ่มปฏิบัติภาวนาด้วยบริกรรมพุโทโธมีข้อสงสัยทรรมถามหลวงพ่อข้อที่หนึ่งจิตและสติคืออะไรและสองอย่างนี้ทำงานเกี่ยวข้องกันอย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิจิต ค, คือธาตุรู้หรือตัวรู้ส่วนสติคือตัวคอยควบคุมบังคับตัวรู้ให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นให้รู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธนี่คือสติ ตัวที่รู้ก็คือจิตจิตบางทีมันก็รู้ไปเรื่อยเปื่อยแล้วแต่มันนีถ้าไม่มีอะไรมาคอยกากับคอยบังคับมันมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆกับความคิดต่างๆที่เข้ามาสัมผัสแต่ถ้ามีสติสติก็จะคอยควบคุมบังคับให้จิตให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธค่ะแล้วจะทราบอย่างไรว่าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิค่ะ ก็ทำซิมันจะทราบยางไรถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้ไงกินข้าวจะถ้าไม่กินมันจะรู้ว่ามันอิ่มไหมอยากจะรู้ว่ามันอิ่มก็กินดูเลยอยน่นเดี๋ยวมันก็อิ่มเอง <c oughs> คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะทำบุญทาทานสวดนมนต์อย่างสม่าเสมอทุกวันไม่ทราบว่าจิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นอย่างไรคะเราควรอธิษฐานหรือฝึกอย่างไรคะเพื่อให้เมื่อตายไปแล้วให้เราไปอยู่บนสวรรค์หรือหรือพรหมคะก็ทำบุญให้มากกว่าบาปถ้าทาบุญมากกว่าบาปเมื่อจิตสุดท้ายบุญก็จะพาไป สู่สวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงจิตไปสู่นรกไปสู่อาบายต่อไปฉนั้นทุกวันนี้เราพยายามทำบุญให้มากกว่าบาปคำถามที่สองค่ะแล้วถ้าเราตายไปอยู่บนสวรรค์เราสามารถต่ออายุของโลกกทิตย์โดยอนุโมทนาบุญกับคนที่ทำความดีทุก คนทั่วโลกเ้ารอลงมาเกิดในยุคพระศรีอริยาเมตรได้ไหมคะไม่ได้เนาะมันเป็น เ, นเรื่อง่สุดวิสัยเหนือนวิสัยเราที่จะไปทำไดค้คำถามจากผู้รับฟังนะกุณค่ะ การ น, นั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นฌานสี่แบบที่เรียกว่าจิตควรค่าแก่การงานระยกจิตขึ้นสู่การวิปัสสนานั่นคือไอเดียใช้ไหมคะแต่น้อยคนที่จะทำได้หลวงพ่อเลยแนะนำให้พิจารณาละความอยากต่างๆในชีวิตเพื่อให้เราทำได้ง่ายขึ้นโดยฝึกสติให้มั่นคงก่อนใช่ไหมคะมันต้องทำสองอย่างสลับกัน เวลาทำสมาธิก็ทำสมาธิให้จิตนิ่งสงบไปนา น, านเวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่ให้ยกระดับไปวิปัสนาให้รอออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปต้องสลับกันทำไม่ได้ทำพร้อมๆกันไปเลครั้งเดียวกันทำสมาธิก็ทำจิตให้นิ่งให้สงบให้มันสงบนานๆ น, นแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาค่อยมาคิดทางปัญญาต่อ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตเข้านิพพานแล้วยังเหลือมหาสติมหาปัญญาอยู่หรือไม่ถ้าไม่เหลือจะมีอะไรคุ้มครองว่าจิตจะนิพพานไม่หวนกลับมาเกิดอีกครับออจิตไม่ต้องมีอะไรแนละ้วถ้าจิตบริสุทธิ์เพราะว่าตัวที่มหาพาให้มาเกิดได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วคือกิเลสตัณหาถูกกาจัดไปหมดแล้ว จิตก็ไม่ต้องมีอะไรคุ้มครองรักษาต่อไปจิตเป็นจิตอิสระสติปัญญาก็เป็นเพียงเครื่องมือที่พาให้จิตไปสู่สู่นิพพานพอถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรคําถามจากทาง facebook ค่ะเป็นซึมเศร้าทํำยังไงคะฝึกสติให้มากๆหยุดความคิดหยุดความอยากความซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังอ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี้แล้วพอไม่ได้ก็เกิดการซันอาการเศร้าขึ้น น้องหยุดความคิดหยุดความอยากแล้วใจก็จะสงบแล้วความซึงเศร้าก็จะหายไปตอนนี้ไม่มีคำถามค่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวอาจจะย์กำลังคุนเข้ามาอีก่ล้ได้ ถ้าอยากจะรู้อะไรมากๆนี่คนรู้ด้วยการปฏิบัติดีกว่าแ ต, แต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องวิธีการปฏิบัตินี้ก็ถามได้แต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องผลของการปฏิบัตินี้อย่าไปถามไม่เสียเวลาต่อไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนฟังก็ไม่ได้สัมผัสกับผล น, นั้นอยู่ดีให้ใ ห, ให้ให้ให้เรียนรู้เรื่องวิธีปฏิบัติแล้วนำอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วผลมันก็ เ, เกิดขึ้นตามมางั้นอย่าไปถามว่านั่งสมาธิแล้วสงบแล้วเป็นยังไงไม่ต้องถามนะนั่งไปนั่งหน่อยดีกว่าเดีย๋ยวมันสงบก็ก็จะรู้เองเหมือนเวลาไปเที่ยวนะไม่ถามว่าไปเที่ยวที่นั่นดีไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้ไปเลยใช่ไหมไปถามเรื่องเสียเวลาทำไมไปเห็นของจริงดีกว่าไม่ฟังจากปากขอคนอื่นว่า ด, ดีก็ไม่ดีอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอยากจะรู้ผลของการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ถามได้ค่ะคำถามจากทาง YouTube ค่ะทำสมาธิสองชั่วโมงมีความรู้ภายในยังยึดในเรื่องเพศตรงข้ามอยู่ควรพิจารณาอย่างไรไม่ให้ยึดติดครับก็อย่างที่บอกต้องรักษาสีมแตกกัน ก็ระับความอยากความคข่ในจามอารมณ์แล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาให้พิจารณาอสุธาความไม่สวยงามของร่างกายมองร่างกายให้เห็นว่าเป็นซากสดร่างกายของเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ร่างกายเป็นซากสดถ้าแผนของเราตายแล้ววันนี้เราจะเก็บไว้ในบ้านนี้คืนนี้ยังจะนอนท่งไทยคืนนี้ห่าไม่ส่งแล้วใช่ไหม พอเป็นซากศพก็ยกให้สับเปล่าไปเลยมเรามองว่าร่างกายนี้มันมันก็บซากศพ ด, ดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังมีลมหายใจเข้าออกอืพอมันไม่มีลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นซากศพไปทันทีคําถามจากทางยูทูบด็อร์ค่ะถ้าตายแล้วอยากเกิดเป็นคนอีกควรทาบุญยังไงคะ อ๋อไม่ต้องกลัวรอได้กลับมาแน่เพียงแต่ช้าหรือเร็วตายไปแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะดึงเราไปนรกก่อนถ้าบุญมากกว่า บ, บาป <c oughs> บุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ก่อนพอช่วงที่บุญกับบาปไม่มีกําลังที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งช่วงนั้นก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์มารอรับร่างกายของมนุษย์ต่อไป ดนั้นถ้าอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์เลยก็อย่าทำบาปไม่ต้องทำบุญเป็นกลางกลางบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทาอย่างนี้พอตายไปก็ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ ท, ทันทีแต่ใครจะรับประกันได้ว่าเราจะไม่ทำบาปเลยเโอกาสที่จะทำบาปมันมากกว่าโอกาสที่จะทำบุญเพราะว่าใจเรามันอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ พ อ, อยากมากๆพอไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีโกหกบ้างขโมยของเขาบ้างอะไรเป็นต้นงั้นเพื่อความปลอดภัยทําบุญเผื่อไว้ก่อนนีกว่าทําบุญกันไว้ mm hmm. เผื่อเราพังเผือไปทําบาปอย่างน้อยบุญที่เราทํามันมีมากกว่าก็ยังจะต้านไม่ให้มันดึงเราไปนนรกได้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิแล้วหลับรู้ตัวว่าหลับ แล้วสะดุ้งแล้วกลับมารู้ตัวทำสมาธิต่อทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ้ะไม่ถูกหรอกคือไม่ได้ผลถ้าจะนั่งสมาธิต้องไม่หลับยังเหมือนกับที่เราคุยกันอยู่อย่างี้ยต้องรู้สึกตัวตลอดเวลา คำถามจากทาง Facebook ค่ะมีสติรู้ลมตลอดทั้งยืนเดินนั่งนอนพอหนีไปคิดก็กลับมารู้ลมถูกต้องใช่ไหมคะไม่ควรหรอกเวลาดูลมนี่ดูเฉพาะช่วงที่เรานั่งสมาธิจะดีกว่าช่วงที่เราไม่นั่งสมาธินี้ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะง่ายกว่าดูการกระทําของร่างกายถ้าร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็ดูการรับประทานอาหารไปอย่าดูลมเพราะลมมันเป็นของละเอียดดูได้ยากกว่า แ้วถ้าดูลมแล้วไม่ไปดูว่าเรากําลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวทําผิดพลาดได้เ<ม>ั้นต้องดูการการกระทําของเราเวลาที่เรามีการกระทําอะไรอยู่<ม>ถ้าเราไม่มีทําอะไรแล้วเรานั่งเฉยๆยค่อยดูลมหายใจคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะฝึกกาหนดสติรู้เฉยอารมณ์ที่กระทบตลอดเวลาแทนพุทธโธถูกต้องไหมครับก็แล้วแต่ว่าเฉยได้หรือไม่ได้ เขาด่าเราแล้วยังเฉยได้หรือเปล่าเขาตบหน้าเราแล้วยังเฉยได้หรือเปล่าถ้าเฉยได้ก็ใช้ได้การจะเฉยได้จริงๆต้องนั่งสมาธิให้ใจเป็นอุเบกขาเข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือฌานที่สี่ถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ใจจะเฉยจะวางเฉยได้แต่พ่อออกจากสมาธิมามันก็จะเริ่มมีปฏิกิริยา ก็ต้องพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งให้มากๆจนกระทั่งมันมีความเฉยติดมามากขึ้นแต่ก็ยังอาจจะตอบโต้ได้อยู่ถ้าอยากให้ไม่ตอบโต้เลยนอกจากมีสมาธิจากมิวเบขาจากสมาธิแล้วยังต้องมีปัญญาสนใจให้ปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางเสียงเสียงจะดีเสียงจะชั่วก็ปล่อยนที่ว่ามันเป็นแค่เสียงเหมือนนอกร้องเนี่ย อันนี้นอกมันกําลังด่าเราก็ได้เราไม่รู้เองว่ามันด่าเราผมานั่งทำํำไมเกจกาทถวนี้กูอยากอยู่อยู่ของกูแต่เราไม่รู้เราก็เฉยได้เราก็เรามองว่าเสียงก็เป็นแค่เสียงแค่นึงเมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เอามาทำทำร้ายตัวเราเองเราเอาเสียงนี่มันแปลความหมายแล้วก็มามาทําร้ายตัวเราเองด้วยความรักความชังขึ้นมาเห็นฟังเสียงก็พระอาจารย์สอนว่าสัมผัสกับอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้เฉย หรือว่าเป็นเสียงหรือว่าเป็นรูปหรือว่าเป็นเกลิ่นมันจะดีจะชั่วมันก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันใจเราก็จะเฉยได้คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะทำสมาธิฝึกสติประจำวันในที่ไม่ค่อยสัปปายะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ดีที่สุดครับไหนพูดใหม่ใช่ ทำสมาธิฝึกสติประจำวันในที่ไม่ค่อยสัปปายะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ดีที่สุดครับถ้าหาที่ใหม่ได้ก็ควรจะหาที่ใหม่หาที่สงบที่สัปปายะถ้าหาไม่ได้ก็ต้องทำไปก่อนดีกว่าไม่ทำหมดแล้วเลยยังไม่มีเข้ามาค่ะกครอยากจะถามไหมอยากจะถามอะไรถามได้นะ กราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ท่านบอกว่า เ, าเวลามีอะไรมากระทบใจให้สักแต่ว่าทีนี้สักแต่ว่าเนี่ย จ, จะจะรบกวนขยายความสักแต่ว่าในที่นี้คือลดเฉยอย่าไปปรุงแต่งว่าดีลดชั่วมันแค่เป็นแค่เสียงเสียงที่เรได้ยินนี้ถ้าเราไม่ไปว่ามันดีมันชั่วเราก็จะไม่รักไม่ชัเงเลยสักแต่ว่าโดยไม่คิดต่อก็คือแค่ จกักแปลว่ า, วารู้แล้วก็ห้ามคิดปรุงแต่งต่อใช่ไม่รุงแต่งต่อกราบขอพระคุณค่ะถ้าใจมีสมาธิมันก็ไม่ปรุงแต่งต่อถ้ามันยังไม่มีสมาธิมันมันสัมผัสกับเวลาเนก็จะปรุงแต่งว่าดีหรืไม่ดีขึ้นมาทันทีคําถามจากทาง facebook ค่ะการบริจาคร่างกายเป็นบุญที่ดีไหมคะต้องบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่เช่นบริจาคตาไริข้างอย่างเงี้ยบริจาคไตไริข้าง อย่างนี้จะได้บุญเพราะเรารู้ตัวอยู่เรารู้ว่าเราได้บริจาคของที่เราหวงของที่เรารักไปใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าบริจาคหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้ได้รับการบริจาคหรือเปล่าก็จะไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้เราก็จะไม่มีความสุขใจขึ้นมางั้นจะบริจาคอะไรต้องทําตอนที่เรายัางไม่ตายเงินทองก็เหมือนกันเขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะให้คนนั้นคนนี้ เราจะไม่ได้บุญถ้าหลังจากที่เราตายไปแล้วถึงค่อยให้เขาไปแต่ถ้าเราให้เขาตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่นี่เราจะรู้ว่าเออเราได้บริจาคเงินนี้ไปแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเพื่อบุญ่างต่อเจ้ก ะ, ะการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนออูทำสมาธิยังไม่ค่อยได้แต่ จเจริญสติปัฏฐานยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ภาวนาพุทโธธรรมโมสัสงโฆถ้าระลึกได้ในระหว่างวันนะเจ้าค่ะอันนี้คือสติหรือแล้วเป็นสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าไม่ใช่เป็นสติเป็นสติถ้าอยาเป็นสมาธิต้องนั่งเฉยๆต้องเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมลึกดูลมไปอย่างเดียวหรือพุทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตนี้จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เจ้าค่ะ เหตุที่หนูนั่งสมาธิยังไม่ค่อยได้นานเพราหนูยังมีสติไม่พอรือเจ้าคะ่ะใช่เราฝึกสติให้มากขึ้นเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ต่อเนื่องอาจจะฝึกสติแป๊บหนึ่งแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้แล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่ต้องให้มันต่อเนื่องทั้งวันตลอดเวลาไม่ให้เผลอเลยเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ ถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะสัตว์ที่ล่าเหยื่อเป็นอาหารจะพ้นจากการทําบาปได้อย่างไรคะเพราะมิเช่นนั้นจะออกจากอบายไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ฆ่าเช่นเป็นสัตว์ที่กินผักเป็นผักหรือเป็นเป็นสัตว์ที่มีคนมาเลี้ยงหาอาหารให้กินแทนเช่นเป็นมาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขแล้วคนเขาเอามาเลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทําบาปมีคนทําบาปให้แทน เจ้าของบางทีต้องไปทำบาปให้กับสัตว์แทนพอสัตว์มันไม่ได้ทำบาปบาปที่มีมีอยู่มันก็จะลดน้อยลงไปจนวันหนึ่งบาปมันก็จะหมดแล้วมันก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คำถามสัตว์ทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะปฏิบัติเข้าฌานสี่วิตกวิจารปิติสุข เอกขาตาแล้วอยู่กับความนิ่งสงบจากนั้นจะทำอย่างไรให้การปฏิบัติยิ่งขึ้นไปและสามารถลดกิเลสเข้าสู่วิมุตติสุขได้ครับทำให้มากๆทำทั้งวันทั้งคืนสูกสตินั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนให้จิตสงบได้ตลอดเวลาพอพอทำได้ขั้นนั้นแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือให้สลับทำกับปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้คอยใช้ปัญญา ตัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะถึงทามิถานวิมุตติกาพพ า, านค่ะ เอ่อเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าหนูนั่งสมาธิแล้วหนูก็จิตรวมบ่อยๆแล้วก็จิตมันตั้งมั่นอยู่ในนี้ะค่ะมันเป็นอัตโนมัติเองแล้วน้อมเข้ามาก็เจอทุกครั้งแล้วจิตมันก็อุเบกขามันปั ส, สะอะไรกระทบเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยอะไรง่ายๆแต่ถ้าเกิดเรามีเรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดหรือใครว่าอะไรเราก็เฉยๆไม่สนใจมันตัดของมันเองทําแบบนี้ไป เ, กกเรื่อยๆกิเลสมันจะเบาบางแล้ะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมคะพระอาจารย์ มันต้องมีปัญญาถึงจะถึงจะถึงจะหายขาดน้อยเปอร์ซ็ถ้าใช้สติใช้สมาธิมันเพียงแต่กดมันไว้ชั่วคราวต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนิจตาแล้กิเลสมันถึงจะตายอย่างเท่ากัค่ะอย่างเช่นว่าเราเราไม่ชอบแบบนี้เราก็จะคิดว่าเอออันนี้มันเป็นอ น, นิจจังมันยังไงก็ก็ต้องเกิดอีก ก, ก็แล้วแต่เขาเป็นอ น, นิจตาเราไปไปห้ามไม่ได้ได้ค่ะ แล้วถ้าเกิดเราจะพิจารณาเกี่ยวกับทุกข์ในอริยสัจ4ี่ในในจิตเนี่ยค่ะจะต้องทํำยังไงเจ้าคะพระอาจารย์ก็พอเราเห็นว่ามันเป็นหน้าตาเราก็จะไม่มีความอยากอยากในอริยสัจ4ี่ก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดกึ้นมาแต่ถ้าเรายังเห็นว่าเป็นของที่เราสั่งได้เราก็จะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นมา ค่ะแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมองทุกอย่างให้เป็นหน้าตาไปแล้วเราต่อไปแล้วก็จะไม่มีความอยากกับอะไรค่ะมองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินน้ําลมไฟเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปอยากกับดินฟ้าอากาศไม่ได้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางตัดความอยากไปให้หมดโอเคค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ขอพระอาจารย์แนะนําวิธีหนทางเข้าสู่วิมุตติหน่อยครับมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรพร้อมกับวิธีละสังโยชน์ฟังตั้งแต่ต้นวันนี้ทานสิงภาวนาคือวิธีปฏิบัติเข้าสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องปฏิบัติทานต้องปฏิบัติศีลต้องปฏิบัติสมาธิปัญญาหรือภาวนาก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะยมไม่เอาบทสวดอื่นๆส่วนแต่บทเท่าที่จำได้ถูกต้องไหมคะส่วนบทไหนก็ได้สวดสั้นสวดยาวก็ได้แต่ขอให้สวดนา น, านๆเพื่อที่จะได้คอยกำจัดความคิดต่างๆให้จิตยน่งเฉยๆคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะแค่ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดเพียงพอแล้วหรือยังครับ พอต่อการปิดประตูอาบายแล้วเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทํำบาปเลยตายไปเราก็ไม่ไปเกิดในอาบายไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตเป็นผีหมแล้วเลยค่ะยังไม่มีค่ะเห็นแล้วก็ท่านนี้ก่อนขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจน า, าไปปฏิบัติ